หปัจจุปันนานาขตบาลอนุโลมบุคคล79อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิสัชนาในอุปาทขคณะแห่งอรหัตตะมักบุคคลจกได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณะแห่งจิตนั้น สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ในอุปาทขคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมบิสัชฌนาในพังขัคคดาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณาแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้าในโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณ ะ, ะหแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุ ป, ปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติแด้บุคคลผู้อบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุ ป, ปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังเกิด80อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะใช่ ปฏิโรมปุจชาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในพงางฆาณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาฆาณาแห่งจิตที่วิปยุตจากอากุศลบุคคลผู้เข้าในรอดสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นจะเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็น <es>. อัพยากฤิของมุขคลนั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส81อนุโลมปุจฉ้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมละ อนุโลมปุคโลกาฏแสองอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอก so ุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอุปาทขณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจะได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในอุปาทขคณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด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 ในอุปาทขคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้บัติอยู่ในสรรยสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังเกิด8ปิสา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 นยุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกระดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดนยุปาทขศนาแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิด ปัจจนีกับบุคคล 84. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะในพังคัณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิประยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งอรหัตมัคอรหันตตาบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลําดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุชฌา สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในอุปาทขคณะแห่งอรหัตมรักบุคคลจะได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กาลังเกิด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 วิสัชนาะในพัง ข, าขา้ากแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทกนาแห่งจิตที่วิปยุทธจากกุศลบุคคลผู้เข้าหนีโรธสมาบัตแต่บุคคลผู้บัตจอยู่ในสัญญสัตต ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจจิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และสภาประทามที่เป็นอัพยกฤิก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิรมปุชชาสภาประทามที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสภาประทามที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ 85. อนุรมปุชชาสภาประทามที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาประทามที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาะในพังคัณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอากุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิมีใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมพเพลียงด้วยปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมละปัจจณิกะปุฆคโลกาฏแสิบอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจฉ น, นาในพังขะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทะขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากุศล สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลมิใช่จักไม่เกิดในพังฆขณะแห่งอาราธมักอรหันตต่บุคคลบุคคลจักได้อาราธมักในลำดับแห่งจิตใดในพังฆาณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัติอยู่ในอ า, ญญาศัญยะสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในอุปาทขคณะแห่งอารหัตามักบุคคลจากไดาอารหัตามักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณะแห่งจิตนั้น สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งอาราธรรค์อรหันตตับุคคลบุคคลจะได้อาราธรรมค์ในลำดับแห่งจิตได้ในพังคขคณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาจัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิบวชจากกุศลบุคคลผู้บัตอยู่ในอสัญญาตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด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 ใช่แปดสอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจตัชนาะในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิวิปทยุดจากอากุศลบุคคลผู้บัดอยู่ในอัจญฉญริยะจตภูมิ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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ไช่จะเกิด บุคคลนอกนี้สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดตก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระดตของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่90อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิด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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิศัดชนาะใช่อนุลมโอกาส91อนุลมุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมและอนุลมปุขคโอกากาส92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 บุคคลนอกนี the the ้ผู้บัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจติชนา เมื่อ <Me> จิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรม ที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกระิศของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิม จ, จิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกระดไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ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 บุคคลผู้บัตอยู eram, ่ในสัญญาสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิด9กสา อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารนาะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัญชิมมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตก็จะเกิดปฏิโดมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอัิยากริตของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิ ด, ดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจชนาะ เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัตยู่ในสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัตยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลก็เคยเกิดปัจจินีกับบุคคล94อนุโลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิสัชนาะไม่มีปฏิรลมปุชชาสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้น se, TVs, ก, น ian, นกน็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาเคยเกิดอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมพิจัดชนาไม่มีปฏ towel, ิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนะเคยเกิด 95. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัดชนะไม่มีปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากรตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจติชนาะเคยเกิดปัจจณีกับโอกาส 96. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมละปัจจณีกับปุคคโอกาส 97. อนุโลมปุจฉา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 สภาวธรรมที่เป well ็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะษของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม sí ่ใ <Slide> ช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาจะเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากระของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิด98 อโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาจะเกิดปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิด อุปาทวานจบ